แนะนำบทอัลซอฟบทอัลซอฟเป็นบทมาดานียะมีสิบสี่องค์การบทนี้กล่าวถึงเรื่องการต่อสู้การต่อต้านศัตรูของอัลลอฮ์การเสียสละในทางของพระองค์เพื่อเชิดชูศาสนาของพระองค์และเทิดทูนคํากล่าวของพระองค์ให้สูงส่งได้กล่าวถึงการค้าที่มีผลกําไรซึ่งจะนํามาซึ่งความสันติสุขให้แก่ผู้ศรัทธาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า หลังจากได้กล่าวแท่ซ้องสะดุดีและสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วบทนี้ได้กล่าวเตือนผู้ศรัธทธาถึงการผิดสัญญาหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงการต่อสู้กับศัตรูของอัลลอฮ์ด้วยความกล้าหาญและความทรหดของผู้ศรัธทธาเพราะเขาต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมายอันสูงส่งนั่นคือการเชิดชูดวงประที่แ่งสัศธรรมและเทิดทูลคำกล่าวของอัลลอฮ์ให้สูงส่งบทได้กล่าวถึงแนวทางของอัลลอฮ์ ในการให้ความสนับสนุนศาสนาของโรมบรรดานาบีของโรมและบรรดาคนรักของโรงพร้อมกับได้ยกอุทาหรณ์ถึงพวกมุีกินที่ต่อต้านศาสนาของพรมดังเช่นผู้ที่ต้องการจะดับรัศมีของดวงอาทิตย์ด้วยปากอันศสกปรกของเขาบทได้เรียกร้องเชิญชวนบรรดาผู้ศรัทธาไปสู่การค้าที่มีผลกาไรและสนับสนุนพวกเขาให้ต่อสู้ในทางของอัลลอ ด้วยชีวิตและทรัพย์สินเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสันติสุขอย่างขาวรพร้อมกับชัยชนะอย่างทันตาเห็นในโลกนี้บทได้จบลงด้วยการเรียกร้องเชิญชวนผู้ศรัทธาให้สนับสนุนศาสนาของอัลลอฮ์ดังเช่นสาวกของนบีอีสาหได้กระทํำขณะที่ท่านได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาให้ช่วยเหลือเหตุที่ชื่อบทนี้ว่าอัสซอฟเพราะบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการต่อสู้ ซึ่งก็ต้องมีการตั้งแถวจากแถวจึงให้ชื่อว่าบทตอสซ์ซึ่งแปลว่าแถวนั่นเองด้วยพระนามของอัลลอะ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแท้สองสดุดีแด่อัลลอะ และโปรงเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชายาละูโอผู้ศรัทธาทั้งหลายทำไมพวกเจ้ากล้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ทำเป็นที่น่าเกลียดยิ่งณที่อัลลอฮ์การที่พวกเจ้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ทำ อินนัลลแท้จริง a ล l a ทรงรักผู้ที่ต่อสู้ในทางของพระองค์เป็นแถวเดียวกันพระหนึ่งพวกเขาเป็นอาคารที่ยึดติดกัน และจงดำลึกถึงเมื่อมูซาได้กล่าวแก่แกลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันทำไมพวกเจ้าจึงทำร้ายฉัน และความจริงพวกเจ้ารู้แล้วไม่ใช่หรือว่าแท้จริงฉันเป็นศาสนาทูตของอลัลลอฮ์มาอย่างพวกเจ้าดังนั้นเมื่อพวกเขาหันเหไปจากแนวทางที่เที่ยงตรงอลัลลอะ์ก็ทรงทำให้วาจของพวกเขาหันเหออกไป และรอดนั้นจะไม่ชี้ทางนำที่ถูกต้องให้แก่กลุ่มชนที่ฝ่าฝืน และจงรำลึกถึงเมื่ออีสาบุตรของมารยำได้กล่าวว่าโอ้วงวานอิสราเอลเอ๋ยแท้จริงฉันเป็นศาสนาทูตจากอัลลอ มาอย่างพวกเจ้าเป็นผู้ที่ยืนยันถึงสิ่งที่มีอยู่ในเตาร้อนก่อนหน้าฉันและเป็นผู้แจ้งข่าวดีถึงาศาสนทูตท่านหนึ่งผู้จะมาภายหลังฉันชื่อของเขาคืออามัดท่านเมื่อเขาอามัดได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแล้วพวกเขากลับกล่าวว่า นี่คือมายากลอันชัดแจ้งและผู้ใดเล่าจาทำยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเทศต่ออัล้อด้วยปากของเขาขณะที่เขาถูกเชิญชวนสู่อิสลามและอัลลอฮนั้นจะไม่ทรงชี้ทางนำที่ถูกต้องแก่กลุ่มชนผู้อาถรรพ م م พวกเขาปราถนาที่จะดับรัศมีของอัลลอฮ์ด้วยปากของพวกเขาแต่เรเป็นผู้ทำใหรศมีของพระงสมบูรณ์แม้ว่าพวกปฏิเสธศัทาจะเกลียดชังก็ตามผู้ี่อัลลอส่งู้เผยพระวจนะมาให้เปนผู้นำทางสู พระองค์คือผู be, ้ทรงส่งศาสนาทูดของพระองค์ด้วยการชี้ทางนำและศาสนาแห่งัจธรรมเพื่อพระองค์จะทรงให้ศาสนาลามอยู่เหนือศาสนาทั้งมวลถึงแม้ว่าพวกตั้งพาคีจะเกลียดชังก็ตาม ت ت โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายข้าจะแนะแนวทางให้พวกเจ้าเอาไหมถึงการค้าที่จะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวด كم كم นั่นคือพวกเจ้าต้องศัทาต่อ الله, และรอ s ู l ของพระองค์และต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของ a ด้วยทรัพย์สินของพวกเจ้าและชีวิตของพวกเจ้านั่นเป็นการดียิ่งสำหรับพวกเจ้า หาพาระองค์จะทรงอภัยความผิดให้แก่พวกเจ้าและจะทรงให้พวกเจ้าเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่เบื้องล่าง และที่พำนักอันบรมสุขในสวนสวรรค์อันสถาพรนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่และสิ่งอื่นอื่นอีกที่พวกเจ้ารักชอบมันคือการช่วยเหลือจากอัลลองและการพิชิตอันใกล้ยนี้ และจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้สภาเถิด قال الحواريون نحن أنصار الله ف آ م ن الطائفة من بني إسرائيل ف م ن ا ط ا ئ ف ة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเป็นผู้ช่วยเหลือในหนทางของอัลลอฮ์ดังเช่นอีชาบุตรของมารยังได้กล่าวแก่บรรดาสาวกว่าผู้ใดจะเป็นผู้ช่วยเหลือฉันไปจางอัลลอฮ์บ้างบรรดาสาวกได้กล่าวว่าพวกเราเป็นผู้ช่วยเหลือในทางของอัลลอฮ์ดังนั้นกลุ่มหนึ่งจากวงวานของอิสราเอลได้ศรัทธาและอีกกลุ่มหนึ่งได้ปฏิเสธศรัทธาแต่เราได้ช่วยเสริมกําลังแก่บรรดาผู้ศรัทธา ให้เหนือกว่าศัตรูของพวกเขาแล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้มีชัยชนะ